พระศาสดาตรัสว่าลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตได้ไปสู่บุรีที่น่ารื่นรมดีของพระเจ้าปัญจลราชก่อนเพื่อสร้างพระราชนิเวศถวายพระเจ้าวิเทหาราชผู้ทรงยศมโหสถสร้างพระราชนิเวศเพื่อพระเจ้าวิเทหาราชผู้ทรงยศเสร็จแล้วภายหลังจึงส่งทูตทูลพระเจ้าวิเทหาราชผู้อนุเคราะห์ชาวมิถิลาว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอเชิญพระองค์เสด็จมาบัดนี้พระราชนิเวศ ท, ที่สร้างเพื่อพระองค์สำเร็จแล้วลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยจตุรงคเสนาเสด็จไปสู่นคร อ, อันมั่งคั่งที่มโหสถสร้างไว้ในแคว้นกัปปิละเพื่อทอดพระเนตรพาหะอันหาที่สุดมิได้ลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราช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 พระศาสดาตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชก็ได้ทรงหาพระเลิกครั้นหาพระเลิกได้แล้วจึงได้ทรงส่งพระราชสารไปถวายพระเจ้าพรหมทัตว่าขอพระองค์โปรดพระราชทา น, พ ร, ราานพระราชธิดาผู้งดงามทั่วองค์ประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคำํำห้อมล้อมด้วยหมู่นางข้าหลวงให้เป็นมเหสีของหม่อมชั้นณบัตินี้เถิด พระเจ้าจุลณีตรัสตอบว่าหม่อมฉันจะถวายพระราชธิดาผู้งดงามทั่วองค์ประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคำํำห้อมล้อมด้วยหมู่นางข้าหลวงแต่พระองค์ในบัดนี้พระเจ้าวิเทราชทรงฉงนสนเท่ตรัสกับเหล่าบัณฑิตทั้งหลายว่ากองช้างกองม้ากองรถกองราบอันเป็นกองทัพสวมเกราะตั้งอยู่ จุดคบเพลิงสว่างสวยัยบัณฑิตทั้งหลายย่อมสําคัญอย่างไรกันหนอพระราชาตรัสถามกับมะโหสถบัณฑิตว่ากองช้างกองมา้ากองรถกองราบอันเป็นกองทัพสวมเกราะตั้งอยู่จุดคบเพลิงสว่างสวยัยแน่มโหสถบัณฑิตพวกนั้นจะทําอะไรกันหนอพระมหาสัตว์กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตมีกำลังมากล้อมพระองค์ไว้ประทุษร้ายพระองค์รุ่งเช้าจักปลงพระชนพระองค์พระเจ้าวิเทหราชทรงครั่นครามตรัสว่าใจของข้าสั่นและปากก็แห้งผากเราเป็นเหมือนถูกไฟไหม้กลางแดดไม่บรรลุถึงความเย็นใจ เตาของช่างเหล็กเผาไหม้ภายในไม่เผาไหม้ภายนอกฉันใดใจของเราย่อมเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ปรากฏภายนอกฉันนั้นพระมหาสัตต์กราบทูลว่าข้าแต่บร ม, มกษัตริย์พระองค์เป็นผู้ประมาทแล้วละเลยคำแนะนำทำลายคำแนะนำบัดนี้บัณฑิต ท, ทั้งสี่ผู้มีความคิดจงป้องกันพระองค์เถิด พระองค์ไม่ทรงทำตามคำของข้าพระองค์ผู้เป็นอมาตะไคร่ประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลทรงยินดีแล้วด้วยพระปีติของพระองค์จึงเป็นดุดมรึกตกหลุมฉะนั้นปลาอยากกินของสดคือเหยื่อย่อมกลืนเบ็ดอันงอซึ่งปิดไว้ด้วยเนื้ออันเป็นเหยื่อมันย่อมไม่รู้ความตายของตนฉันใดข้าแต่พระราชา พระองค์เป็นผู้มีความปรารถนาในกามย่อมไม่สรงทราบพระราชธิดาของพระเจ้าจุลณีผู้เป็นดุดเหยือ่อราวกับปลาไม่รู้จักเหยือ่อคือความตายของตนฉันนั้นนั่นเทียวถ้าพระองค์เสด็จนครปัญจาละจักต้องสละพระองค์ทันทีไพรใหญ่จักถึงพระองค์ดุดภัยมาถึงมรุษตัวตามไปถึงทางประตูบ้านฉันนั้น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 เพราะการคบสัตบุรุษทั้งหลายเป็นสุขโดยแท้ถ้าแต่พระราชาพระองค์เป็นคนเขาบ้าน้าลายที่กล่าวถึงเหตุแห่งการได้รัตนะสูงสุดในสำนักข้าพระองค์ข้าพระองค์เจริญด้วยหางไถจะรู้จักความเจริญเหมือนคนอื่นเขาได้อย่างไรท่านทั้งหลายจงใสคอมโหสดนี้ให้หายไปเสียจากแว่นเค ว, ว้นของเรา เพราะเขาพูดเป็นอันตรายแก่การได้รัตนะของเราพระเจ้าวิเทหราชทรงคร่อมครวญว่าแน่ะมะโหสถบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ทิมแทงเพราะโทษที่ล่วงไปแล้วเจ้ามาทิมแทงข้าดุดม้าที่เขาผูกไว้ด้วยปตักทำไมถ้าเห็นว่าเราจะพ้นภัยได้หรือเห็นว่าเราจะปลอดภัยได้ก็จงสั่งสอนเรา้วยความสวัสดีนั่นแหละ